ทำมาจิตใจไปทีห่หย่อนก่อพัวทำมาจิตใจนะครับ้วเป็นเครื่องเหนือยอย่างแต่ก่อนซึ่งในกิเลสเต็มอยู่รายในหัวใจอาการของจิตที่แสดงออกมาส่วนมากมีแต่เรื่องคลุ่มายาของกิเลสเป็นพุทธกัดดันออกมาให้กระพิบกบระตาและเชื่อมไปเรื่อยๆในกายเป็นคนหลักล อ, อยหาที่ยึดที่เกาะไม่แบบเกิดความต้องการไปต่างๆนานาความต้องการเหล่า น, นี้เราเคย มีมาแล้วบ้างเดิมท่านแต่ยังไม่บวชมันก็มีบวชมาแล้วมันก็มีมาปฏิบัติมึงทำอะไรอย่างนีมันก็ยังต้องมีเพราะมาปฏิบัติที่เรศก็มาด้วยแต่มันได้ปฏิบัติมันคอยมาทําลายเราทำลายงาน <c oughs> ของเราแล้วความสำคัญต่างๆจึงมักเกิดขึ้นได้เสมอเวลาเถืก็ติมันมีความเคร่งแข็ง สินงใดที่พระพุทธเจ้าเหนว่าเป็นภัยให้เข้าใจอย่างถึงใจทำความระมัดระวังยาก่าสาในสิ่งที่รากทั้งหลายท่านกลัวท่านหละท่านเห็นหลกอันเชื่าเดินตามข้อให้คำนวณเนามายกเป็นนข้อเกลียดเกียบบวกลบคูณหารกันดูในเรื่องความคิดความปรนมของเราตั้งแต่ รู้จักเรียนษาภาวะงาความคิดความตึนต่างๆมีอยู่เป็นประจำอึ่งร้อยทั้งร้อยคิดหนึ่งโลกเดิมสงสารทั้งนั้นเพราะอานาจของกิเลสเป็นตัวกลางสงคัญแล้วเเคยได้ผลอย่างไรมีแไม่หลอกไม่รื่นจนบรรเทาเขื่อพันหนาแล้วโศกเศร้าน้อยสุดสัมพงภายในจิตใจรู้จักเสื่อมคลายไปได้หรื มีที่เรื่องความคิดเป็นสำคัญเราเคยคิดเคยปรุงเคยสําคัญมั่นหมายแล้วตั้งแต่เป็นคารวะแบบนี้เราจะนําความคิดอันนี้หมุนตัวเข้ามาทางด้านธรรมให้เป็นความคิดที่เป็นมั่นในทางดําเนินทางแก้ขเครื่องมือแก้ไขเครื่องมือตอบสนที่เึ็วเครื่องมือตอบตามที่ดุจประเทศที่เคยยุ่ยแย่่อความพันใจเรามาเป็นนานาความคิดทั้งหมดเราคิดมาให้เป็นเครื่องมือของทํา มาให้เป็นเครื่องมือของยิ่งยิ้งเหมือนอย่างตะก่อนต้องใช้ความฝืนเราอยากเสยดายต้องโลภเรื่องสารอยากเสียดายความสี้เกอยากเสียดายความ อ, อ่อนแออยากเสียดายการหลับการนอนการพักผ่อนสบายๆตามอัธยาศัยมันไม่ใช่อัตยาศัยส่ยหน้าความเนยิ่งยิ้งยิ้ทั้งนั้นเนาะโดยอาศัยคำว่ า, าอาศั ย, ยซึ่งเป็นความเคยชินกับปากว่าใหเฉยหากเราจะพักหลับนอน ตามมายาสายเพราะความมุ่งมั่นภายในธรรมมีมากฉพระนั้นมันก็เป็นอธิยาสายได้เพราะไม่พักไม่ได้เนี่ย่านมากมันไม่ถนัดมันพัก้วยพิริก่อบกวนตามให้รู้เหตุรู้ผลของมันมันคิดไปนในแง่ดใดเวลาเราจะตามเราให้ตามคิดไปนแน่ยายในแง่ใดเรื่องใดรูปใดเสียงใดกลิ่นใดรสประเภทใดคุยเสียขุดคน้น สิ่งนั้นที่จิตไปเกาะเกี่ยวก็เห็นได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาจิตจะถอยตัวเข้ามาเองถ้าจิตได้รับการท้านสอนด้วยเหตุด้วยผลในทางปัญญาแล้วจะฝืนสติปัญญาไปไม่ได้มีอุบายของปร า, ทาดท่านเคยสึกผลอบรมท่านมาจนกระทั่งได้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นแนวทรรแนวทางสอนพวกเราทั้งหลายโดยทางมมีทางเหตุท่านเคยดาเนินมาอย่างนั้น อย่าเสีดายความคิดที่เคยเป็นมาซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่โทษรุนแรเวลาจิตมันคิดถึงเรื่องอันใดก็ให้คกาจะปีบัญญัตามต้นมันด้วยเหตุผลให้เป็นที่เข้าใจเมื่อจิตใจได้เข้าใจแล้วก็ต้องหดตัวเข้ามาไม่ฝืนมิฉะเราจะตามต้นจิตด้วยปัญญาก็ให้ต้อนอย่างนี้เวลาจะให้เข้าสู่ความสงบโดยทางสมาธิ ตาที่ด้านกล่าวไว้ในตําหนักตาาาําปาก็จะสงบด้วยบทธรรมนี้ด้วยคําบริกรรมด้วยการกําหนดอย่างใดแตต่างหรือถ้าจิตมีความสงบเป็นพื้นฐานของตัวแล้วก็ไม่จําเป็นกับคําบริกรรมทเสมอไปคําบริกรรมนี้เพื่อเป็นการตั้งหลักตั้งฐานของความสงบให้เกิดขึ้นได้ด้วยคําบริกรรมจิตใจมีความสงบเยือกเย็นเป็นฐานแห่ง สมาธิอยู่ภายในจิตใจกําหนดลงเมื่อไหร่ก็รู้ได้อย่างชัดชัดนี่คือจิตในรู้ได้อย่างชัดชัดว่านี้คือจมันเป็นความสงบอยู่ด้วยลาพังตัวเองเพราเฉะนนั้นเราต้องการจะเข้าสู่ความสงบเราก็ต่อเข้าไปตางนั้นต่อลงไปตรงนั้นความคิดความตุงทั้งหลายไประงับไประงับไปก็เหลือเพียงแต่ความรู้ที่สงบนั่นเย็นภายในจิตอันเดียวกัสมาธิความสงบสงบอย่างนั้น ระยะจากใช้าจาปัญสติปัญญาตามต้นจิตแล้เข้าสู่ความสงบหน้าเรืงนี้เป็นบางครั้งเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากแม้จะมีฐานสมาธิอยู่ก็าตามนะเพียงเราจะกำหนดฐานสมาธิบังคับเวทนาทั้งหลายนี้ไม่พอกำลังไม่พอจึงต้องใช้ปัญญาออกอ้เสียคึกค้นหาความจริงของ อาการนั้นๆที่เราสำัำพันญไปต่างๆว่ามันเป็นทุกข์อย่างนั้นเป็นทุกข์อย่างนี้อวัยวะอ่างนั้นเป็นทุกข์อ่วนนี้เป็นทุกข์จิตใจเกิด ค, ความโกรธก็ว่าขึ้นมามีเป็นสมุทัยขึ้มนมาแล้วเพราะความสำคัญนี่เราต้องคิดค้นใน ป, ปัญญาแยกแยกเอาให้เห็นอย่างชัดเจนไม่ต้องอมุ่งไม่ต้องอยากให้ให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนใดก็ตามหายไปเฉยๆด้วยความอยากของตน ถ้าหากจะหายไปจาะสงบลงไปก็ให้มันหายไปหรือมันสงบตัวลงไปด้วยอำนาจของปัญญานี่เป็นของสําคัญนี่ถึงถูกกับหลักปฏิจจธรรมความอยากอยากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงของตัวเอตนามากขึ้นเพราะความอยากนั้นก็เป็นยิ่งเล็ดอยู่แล้วถนัดตันหาคือความบกพร่อ ง, บบองไม่บกพร่องมันจะอยากยามันบกพร่องอยู่ตลอดเวลาต้องการให้เป็นไปตามใจตัวเองเมื่อมันไม่เป็นไปตาม มันก็เป็นกองทุกข์เพิ่มขึนาอีกทั้งทุกทางใจทั้งทุกข์ทางร่างกายทั้งสองอย่างได้เป็นไฟเปนเขาตัวเองแล้วตั้งตัวไม่ร่มดัานหนึ่งด้านหน้าแห่งเฉลใสเวลาเราจะใช้ทางปัญญาเพื่อให้จิตมันสงบตัวได้แยกแยะกันออกจากอาการที่มันสําคัญต่างๆเห็นหนังเป็นทุกเนื้อเป็นทุกข์เอ็นกรดูกเอ็นเป็นทุกข์ก็ะดูก ส่วนนั่นส่วนนี้เป็นทุกข์มันหักมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีความทุกข์มากต่างกันในอวัยวะส่วนต่างๆแง่ที่สุดเพียงกระดูกนี่มันก็ไม่ได้ไปเจ็บทุกแง่ทุกมุมทุกชิ้นทุกอันมันจะเจ็บส่วนใดส่วนหนึ่งที่หนักมากกว่ากันนั่นละ่ะจุดนั้นน่ะเป็นจุดที่เราจะต้องพิจารณาด้วยปัญญาเวทนามันเกิดขึ้นมันมีรูปรูปมีลักษณะอย่างไรสีสันเงินนะกอย่างไรมันไม่มี กระดูกมันมีรูปมีล่ามีามานักหนะมีสีสันวันละมีเวลาเยอะจิดมีอะไรก็มีแต่รู้เท่านั้นเวลาพิจารณาสิ่งใดให้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนม่สติเถอไปจากงานนั้นหนังทุกมากเท่าไรสติยิ่งหมุนเตี้ยวปัญญายิ่งหมุนเตี้ยวสติยิ่งจอ่อ เอาเป็นเอาตายเขาว่ากันเลยเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่ต้องไม่ตั้งความอยากอย่าง อ, อื่นนอกจากมีความอยากรู้อยากเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นในตัวนี้โดยขึ้นจากปัจจัยธรรมหรือวัติปัจจานสิ่ไม่ตั้งความปรารถนาไม่ตั้งความหมายไม่เป็นกังวลกับความที่อนาจะหายไปหรือไม่หายไปแต่มีความ จดจ่อต right. ่อเนื่องกันอยู่เสมอโดยสติโดยการพิจารณาอาการนั่นนให้สืบเนื่องกันไปถ้าพิจารณาสมมติว่าพิจารณากระดูกดูกระดูกให้ชัดเจนเาให้เห็นว่ากระดูกนี่เหรอมันเป็นทุกข์ถ้ากระดูกเป็นทุกข์จริงๆกระดูกเท้งเกินตามถนนนทางกระดูกหมากระดูกสัตว์ต่างๆทําไมะมาเห็นมันบ่นว่ามันเป็นทุกข์ถ้ากระดูกเป็นทุกข์ดูที่ไหนมันก็ต้อง สแสดงความทุกข์มันก็อย่างนี้ไม่ปรา ก, กฏถา่าก็ดูกมันเป็นทุกข์เวลาทุกข์ดับไปกระดูกต้องดับไปด้วยเพราะมันเป็นอันเดียวกันกับทุกข์แต่เวลาทุกข์ดับไปมันก็ไม่เห็นดับไปในขณะที่เราไม่นั่งภาวนานานๆนนพอทุกข์จะเกิดขึ้นมากๆ ม, มันก็ไม่เห็นปรา ก, กฏเป็นทุกข์ทั้งๆ ท, ที่กระดูกก็มีอยู่แล้วแต่เป็นเพราะเรานั่งหมามันขัดต่อส่ว น, นต่างๆของร่างกายมันก็เกิดทุกข์เกิดนาขึ้นมา เวทนาจิงเป็นอันหนึ่งต่างหามันไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกระดกแยกดูเห็นไม่เห็นชัดเจเวลากำหนดโดยเวทนาที่เป็นทุกข์แสดงความทุกข์กำหนดดูให้ชัดเวทนานี้เป็นอะไรมันบอกมันเป็นเวทนาไหม ม, มันได้มีความหมายในตัวของมันไหมว่ามันเป็นเวทนาแล้วมันมีความหมายกับเราไหม ว่ามันให้ทุกข์แก่เรามันก็ไม่มีความหมายเลยดูเวทนาดูชัดชัดจนกระทั่งสักแต่ว่าเท่านั้นไม่ปัญญา ด, ดูกระดูกก็สักแต่ว่าจะดูอาการใดก็มีแต่สักแต่ว่ามันใครเป็นคนไปสําคัญมันหน่อยหลอกเจ้าของให้เกิดความทุกข์แบกทั้งหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วก็แบกทั้งกองทุกข์หรืแบกทั้งจิตแบกทั้งขันมันเป็นผู้าะเหตุไรค้นหาสาเหตุจนได้ความชัดเจนจิตใจก็หดตัวเข้ามา ความต้องการั่นหมายว่าส่วนนั้นเป็นทุกส่วนนี้เป็นทุกเส้นหนังเป็นทุกเนื้อเป็นทุกเอ็นกระดูกเป็นทุกมันก็หมดความหมายแต่เพราะมันไม่ใช่ทุกหนังก็บอกว่าหนังอยู่แล้วมันเป็นทุกอะไรมันเป็นหนังมันไม่ใช่เป็นทุกกระดูกก็เป็นกระดูกอยู่แล้วมันไม่ใช่ทุกมันเป็นกระดูกมันใช่กระดูกมันไม่ใช่ทุกเอ็งก็เป็นเอ็นไม่ใช่เป็นทุกทุกเป็นทุกเอ็นเป็นเอ็นเอาไว้ยี่่าส่วนต่างๆเป็นของใครเราริงใครเปงเราอยู่นะ้มันน่าจะทุกทุกจึง ม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงไม่ใช่ทุกจิตก็ไม่ใช่ทุก <được. S 1> ถ้าว่าจิตเป็นทุกอาการเหล่านี้ดับไปทุกก็ต้องดับไปด้วยทุกเวทนาที่เกิดขึ้นมาดับไปทุก็ต้องดับไปด้วยแต่นี้ทุก็ใจก็ต้องดับไปด้วยแต่นี้ใจไม่เห็นดับไปด้วยนี่นะทุกเกิดขึ้นใจก็รู้ทุกตั้งอยู่ใจก็รู้มีทุกมากน้อยใจก็รู้ทุกดับไปใจก็รู้นี่ ดูให้ชัดทั้งจิต ด, ด้วยดูให้ชัดทั้งเวทนาด้วยมันเกิดขึ้นแลส่วนใดมากน้อยก็าตามมันก็คือเวทนามันไม่ใช่อืนรร่นแค่ใดไม่มีความหมายในตัวเองและไมนมีความหมายกับสิ่งอื่นใดเช่นมันมีความหมายต่อจิตใจของเราว่ามันมาให้ทุกข์แก่ใ จ, จเรามันกม็มีความหมายแต่ใจเราไปหมายต่างหากตัวใจนี้เป็นสาคัญเมื่อแยกแยเห็นชัดเจนแล้วย้อนเข้ามาดูใจใจก็มีแต่รู้รู้ มันก็ไม่ใช่ตัวเวทนามันตัวรู้แยกแยกกันไปแยกแยกกันมาเข้าใจชัดเขาเ้าไปชักเข้าไปทีนี้ทุก AL เวทนาเป็นต้นมันก็สักแต่ว่าเป็นความจริงขหงมันนั่นท่านว่าการเวนาสักแต่ว่าเวทนานั่นท่านพิจารณาถึงความจริงแล้วก็สักแต่ว่ากายก็สักแต่ว่ากายเพื่ออะไรว่าส่วนต่างๆสักแต่ว่าเท่านั้นอจิตก็สักแต่ว่ามีต่างอันต่างจริง เมื่อต่างอันต่างจริงด้วยปัญญาอย่างนี้จิตก็แยกตัวจิตก็เป็นความจริงของจิตกายก็เป็นความจริงของกาเวทนาเป็นความจริงของเวทนาไม่กระทบกระเทือนกันจิตใจก็มีความอาจฐานภายในจิต ท, ทั้งทั่งจิทุกเวทนามันไม่ได้ดับไปก่อนตามแต่ก็เหมือนอย่างเขาก่อกองไฟไว้นเรามองเห็นกองไฟมันจะส่งเปลวขึ้นจุดเม่ก็ตามแต่เราไม่ไม่เข้าไปอยู่ในกองไฟก็สนุกดูไฟได้อย่างสบาย <c oughs> ไม่สามารถจะมาแปรปอเราได้ทุกเวทนาทั้งหลายไม่สามารถที่จะมาแ่งเปาจิตใจได้เพราะจิตไม่หลงไม่เอืึม่มไม่ยุดพอที่ใช้ทุกเวทนานมากระทบกระเทือนหร <c oughs> ือเผาลนตัวเองให้เดือดร้อนม <c oughs> ีการพิจารณาทางด้านปัญญาเราจะแยกกระทันเรื่ อ, อสุภะอสุพันธ์อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญมากราแกะราคะคืออสุภะอสุพันธ์มีสำคัญมาก พิจารณารูปนอกก็ตามรูปในก็คือรูปตัวของเราเองก็ตามพิจารณาถึงฐานอย่างอรูปะอสุปังซึ่งมันเป็นอยู่แล้วนับตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปผิวหนังก็ขี่ใคร ย, ยังไงอ่ะนั่นมันขี้อย่างนั้นอสุภะอสุปังเข้าไปเข้าไปที่เป็นไหนที่ไหนทุกชิ้นตุ้อันแห่งอวัยวะเต็มไปด้วยอรูปะอรุปัง้เราไม่ยอมรับความจริงเฉยๆจิตใจของเรามันดื้อด้านเพราะฉะนั้นมันจึงต้อง ทนแบกหามของกองทุกขที่เกิดขึ้นจากอุปทานความรักความสมน์มตัวโดยทางด้วยอำนาจของจิเลจมันจึงโอยตั้งแต่ทุกข์ขึ้นมาเพอลงเพื่พอเสมอ น, นี่คือความฝืนธรรมฝื้นคติธรรมนาฝื้ น, น, นความจริงความจริงแล้วใครไปแยกพิดนาเป็นอุภะมันก็หมดทั้งร่างนี้แหละยิ่งร่างกายเรายิ่งมีส่วนผสมมากมายแต่ว่าอาหารการบริโภคมาจากชนิดอาหารประเภทใดๆ มันรวมตัวเข้าไปอยู่ในที่แห่งเดียวกันนี้หมดเป็นกองอสุภะอสุภางกองปฏิโโปุณโศกเต็มหมดในตัวนี้กระจาวไปทางไหนทางไหนมันก็เป็นของปฏิปูณอื응่เนเมื่อตกออกมามันก็เป็นของปฏิปูณเพราะภายในเป็นของปฏิปูณดูให้ชัดเจนหน่อยนะกี่ครั้งกี่หนดูด้วยปัญญาเราอย่าไปนับครั้งมับหนให้ดูชัดเจนด้วยปัญญาเห็นชัดเจน ครั้งนี้ครั้ง น, นั้นเห็นหลายครั้งแล้วผลมีความอาถารขึ้นมาโดยลำดับงงนี่ชื่อว่าเห็นความจริงเพราะเรียนความจริงความจําเราจํามาได้เน้ยทุกลกทุกนามตั้งแต่ขณะที่บวชสเกาโลมานขาสันตาตัดโจอุเบชอาจารย์ท่านสอนกรรมฐานคืองานที่พระเราจะต้องทําอันเป็นงานเหมาะสมถูกต้องอย่างยิ่งกับพท่านสอนให้ทราบเรื่องงานว่าอะไร เทสาคืออะไรโลมาคืออะไรผมผลและพันหนังนั่นแหละจะคืออะไรก็คือผมผลและพันหนังนั่นแหละมันให้พิจารณาการพิจารณาคือการทํางานการจํา ม, มาเทสาโลมาหัาขาต่างๆแต่ตัวนี้คือจําชื่อของงานแต่ละชิ้นชิ้นแล้วให้ไปทําด้วยความแยกคายดังที่กล่าวมานี้พิจารณาย้อนหน้าด้านหลังอารมณ์ปฏิอารมทร์ท่านที่ในเทสาโุมาหตะตะนาขต่างๆะต่รัวต่างๆาหนม า, มาเทสานั่น ย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนด้วยสติปัญญาไม่สักแต่ว่าย้อนเฉยๆนะสติปัญญาต้องตามไปโดยลําดับความเข้าใจซึ้งไปตามลาดับลำรับของแต่ละอาการเราจะพิจารณาเป็นอาการใดก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องว่ากันหมดทั้งธรรมฐานห้ามรนากระจายกันไปเองทํามีสติถ้ามีปัญญาเป็นเครื่องวิภากษ์วิจารณ์คลี่คลายแล้วมันจะทราบตลอดทัวถึงในอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้ ว่าเป็นความจริงเหมือนกันหมดนี่เรียวว่าโลกก็มีทุกอันหนึ่งรือรู้แจ้งโลกแห่งขันของเราเองมันเหมือนกันหมดอาการดากระายพวกเรื่องปฏิปุนก็เต็มไปแใช่อปฏิปุนพฏิปุนทงนึ่งถาดก็ชัดแต่ว่าถ้าขุทาตูรูปาทาตูจะขุนนาญาทาตูหนึ่งตาหูจมูกลี้ยใจมันก็ศักแต่ว่าธาตุธาตุธาตุธาตุเปรียวู้เสียงกนรเครื่องทั้งถาดก็สักแต่ว่าธาตุธาตุธาตุเปรี้ยวรวมแลวก็คือกองนี้จังทุกขังอันตหนีไป ทำทั้งสามประเภทซึ่งครอบโลกธาตุนี้ไปไม่ได้นี่นะให้มันจริงมันจังแล้วอยาเสียดายอะไรยิ่งกว่าเสียดายความพ้นทุกเวลานี้เราอยู่ในกองทุกข์อยู่แล้วไม่บกพร่องความสมบูรณ์ภายในตัวของเราก็คือกองทุกข์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเราสงสัยอะไรเวลานี้เราจะพยายามสะเกียติการออกจากกองทุกข์ที่มีในตัวนี้ทําไมเราเสียดายถ้าเราเสียดาย เรื่องโลกก็คือเสียดายเรื่องกองทุกข์อย่างแบบถามทุกต่อไปแร้วก็แสดงว่าเําไม่ต้องการมรรคผลนิพพานคือความพ้นทุกข์ไปโดยธรรมแล้วให้เราถามไปให้ดีรติปัญญามีนํามาใชา้อย่าอยู่อันตู้เฉยงเกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่จอมปราดความสลาดแหลมคมทุกแง่ทุกมุมในใจโลกกระถาบนี้ด้วยพระปัญญาสามารถพระองค์ทรงทราบหมดก็คือ พระพุทธเจ้าเนี่ยจองปล์กเรามันรู้กว้างขวางนั้นขอให้รู้รอบในทาาในขังกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเป่าตากับรูปมาเกี่ยวข้องมันเป็นยังไงเราปรุงว่ายังไงปรุงว่ารูปมันเป็นอย่างไงมันถึงเกิดเป็นภาพขึ้นมาเป็นอารมณ์ภายในจิตใจเรียกว่าธรรมอารมณ์เอามาคุ้นคิดอยู่ภายในจิตใจ้ขนขณะที่เราไปเห็นรูปไปเจอรูปเพียงขนาดเดียวเท่านั้นเอามาคุ้นคิดอยู่ทั้งวันมันคิดได้นี่มันเอาอารมณ์มาจากที่เห็น ผูเดียวสิ่งนั้นไม่ทราบอยู่ไหนห า, า, นายไปไหนแล้วก็แล้วแต่อารมณ์นี้ไม่หายมันเกิดขึ้นจากใจเราหลงอารมณ์ของเรามโนภาพมันมนอกตัวเอง<ม>เหมือนลิงสองหน้านในตัวอย่างในหน้ากระจกเลยดูตัวหน้ากระจกเลยต่อยกระจกให้จนแหลกเ<ม>ข้าใจว่าลิงตัวหนึ่งอยู่ข้างนั้นเลยเป็นเงากับตัวเองเลยกลายเป็นผู่ต่อสู้กันไปลิงก็ชกต่อยหน้ากระจก<ม>ลิงตัวนั้นพอตัวนี้โดดตัวนั้นกระโดด ก็ผางผางโดนหโดนจหน้ากระจกนะกาเตะกระจกล้วก็เห็นแตะยี่ทั้งวันมันเข้าใจว่าเป็นกายตัวนึงพอตอนนี้จ้องเห็งามันก็จ้องพอเตะเงาก็ตอนนั้นก็เตะอแล้วจะตายนี่อยู่วัดหนองสวรสด์อันนี้เตะอยู่สองวันไม่ไปหากินอะไรเลยแต่เลียงนี่พอมีแต่เพื่อนสูงเล่าให้ฟังเลีงก็เหมือนกันเหมือนกัน เราก็จบไปดูโอ๊ยทำท่าขุมขังตึงตังเลยว่ามันนะเพอเห็นงาหน้าตัวนี่เราก็เหมือนกันมันก็เหมือนลิงตัวห น, นึ่งอ่ะเราเวลานี้น่ะถ้าพูดถึงตัวของเราก็เหมือนลิงใจของเรามันกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตโนภาพมันก็ก็เหมือนเงาของลิงเงาของใจเงาของลิงมันหลงเงาเจ้าของตรูงขึ้นมาอย่างไม่หยุดยั้งไม่เห็นโทษแห่งความตูง ของตนไม่เห็นโทดเห็นภาพที่เกิดขึ้นมาจากจิตแล้วหลอกจิตเตียงทั้งวันทั้งคืนเพราะจึงต้องพิจารณาภาพอย่างนี้หรือว่ารอบพิจารณาให้รอกทั้งรูปทั้งตาเราในการพิจารณาให้เป็นอจุภะอสุพัน์ก็อย่างที่ว่านี่ขณะที่จะพิจารณาเอาให้จริงให้จังอย่าให้มีงานอะไรมากวตรวจมีงานเดียวนี้เท่านั้นไม่ต้องคิดถึงเวล่อเวลานาทีโมงอะไรเลย กิเลสมันไม่เคยมีเวลามันเยียบหัวใจคนมีตลอดเวลาเวลาเราจะทำภาวนาทำไมึต้องหาเวลามันทันกับกิเลสหรือถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ทันต้องสู้ไม่ถอยแต <c oughs> ่พิจารณาจะจะให้จิตสงบแบบสมาธิก็ดังที่ว่าไหจิตสงบด้วยการพิจารณาอย่างนี้ก็อบ่างที่อธิบาย ม, ามันจิตสงบได้สองทางแต่สงบจากการพิจารณา แล้วเข้าไปสงบนี่มีความอาถรรพมากและเป็นการถอดถอนวิเหลห์ไปนในตัวด้วยเพราะปัญญาสมเพียงสมาธินี่เป็นเพียงว่าวิเดห์ตะล่ อ, ลอมวิเดห์เขามารวมตัวท้าบว่าเราไม่ใช้ปัญญาวิเดห์ก็เข้ามาหมักหมมมีภายในจิตใจแล้วก็แผ่กระจายไปได้อีกด้วยเห็ุนี้ปัญญาจึงเป็นของสําคัญมากปัญญาปริภาวิตังจิตตังสามาเดวะอัศวีหิมุตติ กิจอันปัญญาพรมแล้วจะมีผลมากมีอสง่ามากกิตจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ให้เป็มเป็นไม่เต็มหมือนที่เรจะพองสายไปโดยลหนับจนกระทั่งถึงขัน้นบริสุทธิ์ยิ่มุดผนิพนาได้เพราะปัญญาเอาเหินประชาร์มสมาธิปฏิภาควิตาปัญญามหาพลาโขติไมส่สร้างสร้างปัญญาจะมีความฉลาดแหลมคมมีพลงังต้องอาศัยความสงบเป็นข้างหนุน นะ่ยจิมีความสงบตัวย่อมอิ่มตัวไม่หิ้วหงยกับอารมณ์พาทํางานประเภทใดก็ทําได้สะดวกสบายไม่เถลไถลัยนั่นเรื่องสมาธิจิตเป็นของสําคัญสําหรับจิตที่จะต้องพิจารณาปัญญาหากจิตมันมีความหงิ้โหยหาความสงบไม่ได้เลยเราจะพิจารณาให้เป็นปัญญามันกลาเดินปัญญาลงไปหมดด้วยองอย่างนี้จึงต้องอบรมจิตให้มีความสงบเรียกว่าอิ่มตัวในความสงบแล้วพาทํางานด้วยการ คุยเขียขุดค้นในสภาวธรรมทั้งหลายมันก็ทำตามหน้าที่ทําตามคําสั่งแล้วก็รู้แจง้งถึงจริงประเดี๋ําดับหนึ่งนี่จากนั้นก็มันก็เป็นจิตปัญญาภปพลังจิตต่างๆดีจะไปไหนไม่นอกเหนือไปจากนี้ให้ถือหลักนี้เป็นเกณฑ์การฆ่ากิเลสการทำลายกิเลสให้ถือหลักนี้เป็นเกณฑ์เราจะไปหาเอาเหตุเอาผลนอกโลกนอกโคงสร้ารซึ่งนอกเหนือจากธรรมของพระเจ้าไปจะไม่พบ สิ่งที่พึงใจให้กำหนดตรงๆหนึ่งเอาให้กล้าห า, ชานชามไข่เอาเป็นนักรบ่าแต่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้เห็นกินเลสทุกประเภทที่อยู่ภายในจิตและเกิดขึ้นในจิตนี้ว่าเป็นภัยทุกทุกประเภทไปด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาตามต้นสมัเราอย่าหลงกลมายาของโลกตาหลอกไปทางหนึ่งหูหลอกไปทางหนึ่งจมูกหลอกไปทางหนึ่งร่างกายหลอกไปแต่ละอย่างลอย่างหลอกไปเรื่อยๆ ใจแล้วก็หลอกทางมโนภาพโดยอาศัยต่างตาหูจมูกรินกายได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิน่งนั้ น, นมาแล้วก็เข้ามาเป็นอารมณ์ฝังใจแล้วคลืนคิดขึ้นมาคลื่นคิดขึ้นมาเผลอจ น, นอยู่ตลอดเวลาท่านเรียกว่าธรรมอารมณ์คือความสั่งสมอารมณ์ทิ่เคยเห็นมาแล้วรูปเสียงสิ่งน้นเป็นต้นเข้ามาเป็นอุปทานอยู่ภ า, ายในจิตใจก็มาเป็นมโนภาพหลอกตัวเองเราหลงเราตื่นเงาอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ทาบเลยเอาพิจารณาไปที่ เมื่อถึงขั้นจะรู้นี้แนละ้วปิดไม่อยู่รู้เป็นความจริงอ๋อภาพนี่มันก็เป็นเงาของจิตแท้ๆหลงบ้ามันยังไงเนี่ยเวลาไม่เข้าใจมันถอนพับเลยที่มันจะหลอกมาอะไรได้เมื่อรู้เท่าทันจนถอดถอนหมดแล้วรู้ทั้งตัวเหตุเป็นตัวอะไรเป็นตคัญตัวจิตเป็นตัวเหตุสําคัญหลอกออกเป็นภาพปรุงแต่งขึ้นมาเป็นภาพภาพยิงภาพชายภาพจัดภาพบุคคล ภาพเรื่องราวต่างๆมันปรุงขึ้นมาถตัติปัญญาไม่ทันก็หลงมันไปด้วยพอตัติปัญญาทันปุุงภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเราไม่ช่วยสิ่งอื่นใดเพราะมันปลอมท่างนั้นเราเชื่อแต่เรื่องของปัญญาเรื่องของสติที่ฝ่าฟันพิเด็ษลงได้ไแต่ละแบบตามจนทั่งถึงธรรมลมที่ว่านี่ให้คิดหายผลปี้ไปได้นี่เรื่องของปัญญาเป็นอย่างนั้น อย่างนี้กวิจารทั้งหนุ่เพื่อนนอนชตแล้วเรามาประชุมเย็นฝม่ังเลยเลยท mm. ัองอยู่ผมตามธรรมดาแล้วมันไม่สะดวกขาดมันเหนื่อยเพียรที่จะตอเท่ยงกัน mm. นั่ไปคิกปฏิบัติมีความอาดฐานทางไทเวลานี้โลกกําลังร้อนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะโลกห่างไกลจากสิ่งศักธรรมไม่สนใจกับสิงลงับดิ์ธรรมนี้นอกจากนั้นยังเห็นสิ่งธรรมศา ส, สนาเป็นข้าศึกเป็นสิ่งที่กดท่ว ความเจริญของโลกโลกกินเจริญไปด้วยความทุกข์เห็นกงตักเป็นดอกบัวกันใครจะรู้จริงเห็นจริงยิ่งกว่าพระเจ้าสอนความจริงให้แก่แต่โลกมันมีใครสอนจริงยิ่งกว่าพระเจ้าได้กว้างขวางเรก่ขึ้นยิ่งกว่าพระเจ้าพบมันลําพังคนมีพิเรศรับพวกไปเท่าไรก็เป็นการฆ่าตนฆ่าตนเหมือนขุยไม่ไผ่เนี่ยขุยไม่ไผ่เกิดขึ้นมามากน้อยทําลายแม่เองให้คิบหายหมดความรู้ที่เกิดขึ้นจากผลพานี่เ็ดเต็มหัวใจมันก็เผาตัวเองให้แหลกเหลวไป มันไม่ได้มีความจริงอะไรอยู่กับความคิดนั้นเลยส่วนธรรมะพพุทธเจ้าเนี่พูดตรงไหนจริงตรงนั้นสอนตรงไหนจริงตรงนั้นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนเืียว่าจริงไปโดยลํำดับลำาับยึดหลักนี้ให้ดีอย่าลืมตัวอย่ามัวสมนะชั้นอาหารเสร็จแล้วมีอะไรล้างบาัดรเคล็ดบาตอะไรเนี่ยเล่าให้ต่างคนต่างแยกย้ากันไปควรที่จะทำํำสละก่อนจะทำ อย่ามัวสูงคือกันเรื่งนั้นเรื่องนี้นเรื่องไม่เห็นโทษเห็นไทยเรื่องความเพิอเพืินความดึงเนื้อดึมตัวอย่านำมาใช้าสาหรับนักเวทผู้เห็นไทยนะว่าตัดทุนสายอย่านาํามาใช้เห็นไทยอยู่เสมือแม้แต่การอยู่การกินก็ยังต้องเห็นไยัยฐานอะไรเป็นไปก็จับแต่ว่ า, าพอบําบัดร่างกายให้มีความเป็นไปในวันหนึ่งคือบําบัดธาตุฐานพอเป็นความธาตุเปี่ยนได้เ ร, เราไม่ถือรส ถ, ถือชาติอะไร จากอาหารนั้นมาเป็นของสำคัญยิ่งกว่าธรรมเอาตรงนั้นถ้าตื่นรถก็ถแสดงว่ารถนี่มีอำนาจเหนือธรรมเ<ม>หยียบธรรมเวลารับเวลาฉันทั้งฉันก็เดินตัวอย่าให้ลืมทั้งฉันก็ไม่ให้ลืมรถประเภทใดเข้ามารวมกันตรงนี้มันก็ผ่านลิ้นเข้าไปเห็นรถเค็มเปี้ยวหวานทราบรถเปรี้ยวหวานเค็มเดี๋คอลิ้นต่นนั้นพอผ่านลงไปแล้วมันก็มีเหมือนกันหมดไปกองในที่แห่งเดียวเห็นไม่เรื่องอะไร พออย่างนี้ให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อบำเพ็ญจะมาทำด้วยความสะดวกสบายการกบการสางการกันโอบดูท่าดูขันทั้งต้นเรื่องอย่างนี้เป็นอุบายวิธีของแต่และท่านละคนบุครูอาจารย์จะไปสอนไม่ได้ไม่จัดว่เป็นคําสอนนอกจากเป็นคําบอกเล่าหรือเป็นอุบายวิธีการผู้วิจารย์วิธีการฝึกฝนอบรมตัวเองด้วยอาการต่างๆให้ทราบเท่านั้นท่านผู้ใดมีเดตคติสัยทางไหนก็ให้ท่าน มางไหนต้องสังเกตตัวเองเพราะเราเป็นนักปฏิบัติสังเกตพอได้อย่างการจินการหลับการนอนการช้าการสอยมันเป็นเรื่องของตัวเอ ง, ห, งหั น, ห, นหันหันมีจิตปฏิภาสอยู่กับทำทวพันอยู่กับทำเสมอยอย่าหัมันเพิ่มเติเเเเมื่นลืนหลงโน้นหงฉั่ายไปเรลยๆนี่ไม่ในเรื่องใด เ, เราไรเห็นนี่ดีกว่าทำ ดิ้นใ่้ตายแสงทรรเหยียบย่มทาลายธรรมคือคนดืมตัวอยากให้เป็นอย่างนั้นไมขค้างพุทธค้างปุตมันปรากฏท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายคือเป็นพระสำเร็จมรรคผลนิพพานอาสนะมากมากก่ อ, อ ก, ก็เพราะมีตั้งแต่ผู้มุ่งมรรคผลนิพพานปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้น ทำไมจะไม่เจอมุ่งสิ่งใดสนใจกับสิ่งใดทำงานเพื่อสิ่งใดผลจะต้องตามสนองผลคือสิ่งนั้สนสิ่งนั้นจะต้องตามสนองจนได้ไม่หนีจากเหตุคือการกระทานี้ไปได้เลยแล้วทำไมทุกวันนี้จึงไม่เป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะความรู้ความเห็นความเป็นไปในทางด้านจิตใจไ ม, ไม่ได้เข้าร่องรอยของธรรมนอกจากเป็นภาพสิดต่อธรรม็โดยสามปัดงัด้นเราจะเอาวาัตุนิพที่ไหนมา เราตั้งใจไปปฏิบัติตามหลักสหวาดธรรมที่ท่านปรับไล้ชอบแล้วนี่เท่านั้นมันก็มีปัญหาอะไรเดินมาผล้ิผ่านมันจะรู้บนตัวของเรานีเองมนุษที่ไหนเพราะกิเลสอยู่ที่นี่การปราบกิเลสก็ปราบที่ใจมีนไม่ได้ปราบที่อื่นที่ใดสถานที่ก่นที่มีดินฟ้าอากาศปราบตรงที่ใจกิเลสราคะสัมภา์มันเกิดก็เกิดขึ้ที่ใจการปราบถึงนี้ก็ปราบตรงที่ใจด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนนี่ เมื่อสิ่งเหล่านี้ไปด้อยลงไปด้อลงไปลดน้อยลงไปเดิมำดับความสุข ก, ก็มีท่องทาความสงก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เลยๆนี่ก็เป็นผลให้เราทราบว่าความสงบ ก, กับความสุขมันมาตามๆกันมาสงบมากสุขมากสงบสงบเต็มที่ก็สุขเต็มที่จนถึงขั้นนัตติสันติพลังสุขขังคือ ความสงบจากพิเรเศตัวเพรศทั้งตวงม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วไม่มีความติดอื่นใดจะเสมอเลยนั่นเป็นความสงบอันนาบภาพสมงบเนขั้นปณิภานไม่สงบเนขั้นอิทธิวิสุทธิสงบขั้นสมาธิเป็นอีกประเภทหนึ่งเหล่านี้ออกจากสติปัญญาที่เป็นเครื่องปราบปรามพิเรศซึ่งมีในหัวใจปราบปรามลงที่นี่อย่าไปสนใจกับที่อื่นใดให้หนักขึ้กว่านี้ไปอยู่สถานที่ใดก็ตามให้ถุอจุดนี้เป็นจุดธรรมวาค่าส เรให้กินให้จัวผลจะไม่ต้องถามใครจะเกิดที่นี่เหนืขั้นพุทธการแบบสมัยปัจจุบันต่างกันอย่างทั้งนั้นมีแต่ผู้มุ่งทำความมุ่งมั่นต่อทำมีกําลังก้าความเทียนก็ต้องเป็นไปตามเทียนก็เทียนเพื่อบรรลุธรรมรู้จริงเห็นจริงในธรรมผลก็คือความรู้จริงเห็นจริงในธรรมเป็นขั้นระทั่งทะลุปุโปร่งไป นองเนื้อไปจากความภาคอย่างนี้ไม่ได้ทุกวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันกลับตละปัดกันไปเลยเลยกลับเป็นนักพวกนักบวชพวกเราใท้เองปเป็นผู้ทาาํานาศาสนาย่ำมีปีผลไปเหมือนหลวงพ่ทีเจ้าเฮ้ยมีใครที่จะทําราศาสนาได้ย่ำกว่าพุทธบริษัททำไมถูกต้องอ้าโอเคนี้ก่อนท่านเบญญาสบายหนึ่ง